มีญาติธรรมรบกวนถามพระอาจารย์นะคะ อ, อนุญาตไหมคะเอาได้เลยถามได้เลยขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายขันห้าธาตุสี่ค่ะขันห้าขันห้าเนี่ยก็คือตัวเราเนี่คือขันห้ารู ป, ปรขันร่างกายเนี่ยร่างกายประกอบไปด้วยรูปมหาภูตารูปทั้งสี่คือธาตุดินน้ําลมไฟหลายๆลรูปมารวมกันธาตุสี่รวมกันขึ้นมาประกอบกันเป็นร่างกาย กายกายะแปลว่าหลายหลายอย่างมารวมกันกายะแปลว่าหลายหลายสิ่งมารวมกันเขาเรียกว่ากายกายแปลว่ามีหลายหลายสิ่งมารวมกันเพราะฉนั้นหมาหาภูตารูปทั้งสีธาตุดินธาตุดินนี่มันแข็งแขงเนี่ยแข็งแข็งแทนที่ในอากาศได้เขาเรียกว่าธาตุดินอย่างร่างกายนี้คือธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้เป็นธาตุดินแต่ในธาตุดินก็จะมีธาตุน้ําอยู่มีธาตุลมอยู่ธาตุไฟอยู่แต่ว่าธาตุดินเด็นเพราะนั้นเขาจึงเรียกว่าธาตุดิน ในธาตุดินเนี่ยร่างกายคือธาตุดินแทนที่อากาศได้แ ข, งแข็งแค่นแข็งแต่มันก็มีธาตุน้ําอยู่มีธาตุลมอยู่มีธาตุไฟอยู่แต่ว่าธาตุเด่นคือธาตุดินเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุดินคือแค่นแข็งแข็งเมื่อมีแข็งก็มีอ่อนแข็งน้อยมันก็คืออ่อนเพราะนั้นอ่อนแข็งนี่เขาเรียกว่าลักษณะธาตุดินเพราะนั้นถ้ามันอ่อนขึ้นมาเราไม่มองว่ามันเป็นมันอ่อนมันแข็งเรามองว่ามันเป็นธาตุก็ได้ธาตุดิน มันแข็งเรียกว่าธาตุดินก็ได้เป็นสภาวะของธาตุดินพอเรามองเป็นธาตุดินก็คือไม่ใช่เราใช่ไหมมองว่าเป็นลูกเป็นลูกประขันก็คือเป็นธาตุดินแทนที่จะมาเป็นตัวเราตัวเราเราแข็งเราถื่เรานั่นเรานี่ดินเพราะดินมันจริงแข็งตัวเก่งๆขึ้นมานั่งไปธาตุดินธาตุดินดินแสดงออกเดินเดินไปมันหนักเนื้อหนักตัวดินดินดินมันแข็งแข็งบางคนโกรธตัวแข็งถื่เลยเหมือนผีดิบ ไม่อยากมองใครหรือธาตุดินธาตุดินมันผิด ป, ปกติจิตมันก็ทําให้ธาตุนี่มันมันคิด ป, ปกติได้ธาตุน้ําก็คือเป็นของเหลวเอิบอาบทําให้เกิดการเกาะกลุ่มธาตุน้ําทำคุณลักษณะของมันทําให้เกิดการเกาะกลุ่มเพราะนั้นอย่างดินถ้ามันเป็นผงผงเนี่ยเราเอาน้ำใส่กันไว้หน่อยมันจะทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันแต่ลักษณะของมันเป็นของเหลวเอิบอาบแล้วก็เกิดการเกาะกลุ่ม เพราะนั้นเช่นน้ำลายเนี่ยธาตุมันจะเป็นของเหลวเป็นธาตุน้ําแต่ในธาตุน้ําก็จะมีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟอยู่ด้วยแต่พวกนั้นมันน้อยเขาไม่พูดถึงเลือดอย่างนี้เขาเรียกว่าธาตุน้ําธาตุลมก็มันพัดไปพัดมาหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเรื่องของธาตุลมแต่ที่จะเป็นลมหายใจของเราเราก็เป็นธาตุลมลมเข้าลมออกหายใจเองมันไหวๆอยู่ข้างในปากีมีใช่ไหมมันเหมือนไม่ใช่ลมหายใจใช่ไหมนั่นคือธาตุลม มันมีหน้าที่ไหวไปไหวมาพัดไปพัดมาพัดขึ้นไปบนลงข้างล่างไปทางซ้ายไปทางขวาทําให้เกิดการ่อนการตึงบางทีมันก็ตึงขึ้นมาต่านลมมากมันก็ท้องก็อืดมีแก๊สมากบางทีมันอยู่ไม่ได้มันก็ออกมามีเสียงดังด้วยเพ <c oughs> โอ้เสด็จเสด็จมีทานลมด้วยกันเนาะ <c oughs> ออกกฏจำ <c oughs> ถัดไปก็นั่งมันร้อน เย็นร้อนพวกมิทัศน์ไฟถ้าร้อนมากธาตุไฟนี่คือร้อนแต่ถ้ามันร้อนน้อยก็คือเย็นน้อยมากๆ ก, ก็คือหนาวเป็นเรื่องของธาตุไฟเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปว่าเป็นเราเราก็เห็นว่ามันร้อนไม่ใช่เราร้อนแล้วเป็นธาตุไฟมองว่ามันเป็นธาตุไฟดินน้ำลมไฟอันนี้คือรูปประคันรูปประคันก็คือหลายๆรูปมีธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นร่างกาย เพราะนั้นใครบางคนเขาพี่นาธาตดินน้ำลมไฟก็สามารถบรรลุเป็นพราหันได้คือเห็นเป็นธาดินน้ำลมไฟชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ดับพึบลงไปพร้อมกับจิตก็ดับลงไปพร้อมกันเขาจะเห็นพร้อมกันเลยธาดินดับจิตก็ดับวิญญาณธาตดับไปด้วยกันวางทิ้งหมดบรรลุพราหันบางคนพี่นาธาธาธาธาคืออะไรดินน้ำลมไฟวิญญาณธาต์มันยังมีตัวนามธรรมอีกตัวธาดรู้เขาเรียกวิญญาณธาดเป็นธาดรู้ เพราะนั้นบางทีก็ดูดินน้ําลมไฟแต่มันยังมีอีกตัวหนึ่งที่ไปรู้นุ่นรู้นี่มีคนหนึ่งเขาเป็นภาวนาติวัดอ่ะเขาอยู่เป็นปีเลยนะที่แรกเขาก็ดูเป็นธาตุดินน้ําลมไฟดินน้าลมไฟเวลาคิดถึงพ่อเขาก็บอกนี่ดินน้าลมไฟไปคิดถึงดินน้าลมไฟอีกแล้วตอนแรกก็ดินน้ําลมไฟดินน้าไฟต่อมามันวางดินน้ําลมไฟหมดมันเหลืออีกตัวหนึ่งที่ไปรู้นุ่นรู้นี่บอกเ้อ้าวอตัวนี้มีอีกมีอีกเนี่ยเขาก็ตามดูตัวรู้นี้ตัวจิตนี้เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปเอง ที่แรกอะตามดูลูกประคันดินน้ำลมไฟเขาถนัดที่จะดูเป็นธาตุดินน้ำลมไ ฟ, ด, ด, ด, นนมไฟดูไปดูมาดูไปดูมาสุดท้ายไอตัวรู้นี่มันเด่นขึ้นมาเขาเห็นตัวรู้นี่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาบอกเอา้าตัวนี้ต่างหากที่มันมีเรื่องมีราวเขาก็จับตัวนี้มาดูที่ตัวรู้นี้สักว่าธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุตัวที่ไปรู้อารมณ์ธาตุรู้แต่มันเป็นสักว่าธาตุไม่ใช่เรา บางทีเราก็ไปรู้เรารู้ใช่ไหมเรารู้เราไปเห็นก็เราเห็นเรารู้นี่คือยึดวิญญาณยึดวิญญาณมาเป็นเรามันมีเราอยู่ตลอดเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตัววิชามันมีเราอยู่พอเราป่วยขึ้นมาก็เราป่วยร่างกายป่วยที่จริงมันเป็นเรื่องของท่าดินท่าน้ําลมไฟไม่สมดุลอย่างไฟมากก็จะร้อนใช่ไหมร้อนมันก็เป็นไข้าทานน้ามากมันก็ตรงนั้นตรงนี้บวมถ้าลมมากตรงนี้ก็อืด พองขึ้นมาเนี่ยถ้าดินมากก็แข็งเอนก็กระดิกขยับตัวไม่ไหวไม่ได้นี่เป็นเรื่องของธาตุแต่เราบอกว่าเป็นเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ตัวเราอันนี้ที่เป็นจริงเป็นจางอันนี้เขาเรียกว่าอาวิชามันห่อหุ้มจิตอยู่เพราะนั้นคนเราจึงทุกข์เพราะมันมีเรามันมามีสิ่งทั้งหลายมากระทบเรา เราไม่เห็นว่ามันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่เห็นว่าจิตก็เป็นวิญญาณธาตุอันนี้มองเป็นขันเป็นธาตุสี่มองเป็นธาตุาก็คือรวมหมดทีนี้มาดูขันห้ารูปประขันรู้เข้าใจแล้วใช่ไหมรูปประขันรู้แล้วธาตุสี่ก็รู้แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูเวทนาขัน เ, เวทนาขันก็รู้นี่มันนั่งนานก็เจ็บใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเวทนาทางกายเจ็บ ถ้าหาว่าเราดูเฉยๆได้เราปล่อยวางได้ก็แสดงว่าเราไม่ยึดเวทนาเราเห็นว่ามันเป็นเวทนามันคือเวทนาเวทนามันก็คือความรู้สึกเวทนาขันก็กองแห่งความรู้สึกรู้สึกเจ็บปวดปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดหลายๆที่แต่เราก็จะดูตรงที่มันเด็ดมันตรงไหนมันพอดีกับจิตเรามันก็จะไปดูดูถ้าดูระวางได้เราเฉยได้เราก็จะเห็นว่าอ้เวทนาเป็นอย่างนี้เอง สักแต่ว่าเวทนาก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราจิตเราก็เป็นกลางเห็นอยู่เวทนาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอยู่เฉยๆของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยมันก็อยู่ของมันไปมันอยากเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่เฉยๆของมันสำคัญตรงจิตเราไปยุบไปยุบเราเจ็บเราไม่อยากเจ็บเราอยากให้มันหายเรากลัวเป็นนั่นเรากลัวเป็นนี่นี่คือตัวเราไปยุไปสร้างขึ้นมา ไปยึดเวทนาว่าเป็นเราแล้วก็สร้างความกลัวสร้างความกังวลสร้างความหวั่นไหวขึ้นมาเพราะมีเรามันก็เลยมีเรื่องเราเยอะแยะขึ้นมาในจิตเราก็ต้องเห็นให้เห็นจิตเราเป็นสังขารเกิดแล้วก็ดับนี่สังขารละขานก็ตามมาบางทีมันก็นึกบางทีเจ็บออกมาแล้วนึกถึงความเจ็บแนละ้วโอ้โหไม่กล้านั่งอีกแล้วแยงเลยโอ้โหนี่สัญญาเข้าใช่ไหมสัญญาโอ้โหมันไปจํำมาไว้โอ้โหเจ็บ โอ้โหเจ็บหน้าดูเลยตอนนั้นโอ้โหใจแทบขาดเนี่ยถ้านั่งอีกสงสัยจะเจ็บอีกนี่กลัวล่วงหน้าเลยทีนี้ไม่การหนัง่งเพราะอะไรมันไปยึดสัญญามันไปหมายเอาไว้สัญญานี่คือมันไปสำคัญมั่นหมายแล้วมันก็นึกขึ้นมาพอนึกขึ้นมาเราไม่ทันว่ามันเป็นแค่สัญญานึกขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาเราก็หวั่นไหวขึ้นมาไปกับสัญญานั้น สัญญานี่แหละมันจะเอาเรื่องเอาเรามากุ้มลุงจิตเรามันผ่านมาทั้งหมดในชีวิตของเรานี่ผ่านมาแต่ว่าสัญญามันจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้สัญญากับสัญญาผิดๆด้วยนะมันไม่มีเรามันก็หลงว่าเป็นเราใช่ไหมล่ะเขาทำเราเขาว่าเราเขาเอาเปรียบเราเขาข่มเหงเราเขาหลังแกเราบางทีเห็นเขาพูดคุยกันุๆๆๆเราเรแวงสงสัยมันว่าเราเลยจาไว้ได้ใช่ไห วันนะั้นมันว่าเรามันว่าเราเนี่ยแค่นี้มันก็ทุกข์แล้วน เ, นเนี้ยะเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันสร้างเรื่องมันหาเรื่องตัวหาเรื่องก็คือตัวเองที่นั่งอยู่นี้ชอบหาเรื่องนี่มานี่สแสดงว่าเป็นพวกชอบหาเรื่อง <c oughs> คือหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะคือมันเป็นมันเป็นถ้าเราไม่อุปมจิตมันจะต้องเป็นทุกข์ขึ้นมา เพราะขบวนการก่อทุกข์อันนี้คืออยู่ในจิตของเราเรื่องราวของจิตเรานี่แหละที่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่มันอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็ปูงแต่งปูงแต่งแล้วก็ดับปรุงแต่งแล้วก็ดับแต่เราไม่เห็นกระบวนการของมันเราก็ไปหลงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรามีพระเจ้าที่ทะลุเข้าไปถึงองค์แรกแล้วพยายามที่จะเอาความจริงอันนี้มาสอนคนที่ตั้งใจปฏิบัติก็จะรู้ตามพระพุทธเจ้า แล้วก็จะปล่อยวางให้มันเกิดดับไปตามธรรมชาติแล้วก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไปเอาไหมเอาไหมอยากได้ไหมอยากได้ก็ปฏิบัติสิ <laughs> นี่มันมันมันเป็นเรื่องจริงอยู่ในจิตของแต่ละคนนี่แหละถูกไปน้ำจะเห็นนี่ก็ค่อยมันมันก็พอเริ่มเริ่มมีสติขึ้นมาเลยใช่ไหมเริ่มคุมจิตเราได้แล้วจิตที่เคยไหลออกไปทุกข์มากๆก็ลดลงลดลงไหม เนี่ยมันก็ลดลงแล้วเนี่ยที่เราปฏิบัติมันมันมีทางออกอยู่อ้าวลู่ประคันรู an em ้ ais, แล э ้วเวทนาขันเวทนาขันก so, ็มีเวทนากายแล้วก็เวทนาทางจิตว่ามีเวทนางกายปุ๊บมันป่วยมันไม่สบายขึ้นมาเราก็งุ่นหิดขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมานี่คือเวทนางจิตความทุกข์กับเวทนาทางจิตมันทุกข์ขึ้นมาทางจิตแล้วหรือเขาว่าเราเราจําได้เรานึกขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมาอีกก็เป็นเวทนาทางจิตมันทุกข์เขเวทนา เวทนาทางจิตหรือว่าสุขเวทนาเรานั่งไปมันสบายขึ้นมามันเป็นสุขขึ้นมานั่นก็คือสุขเวทนาเพราะฉะนั้นสุขทางจิตก็มีทุกทางจิตก็มีหรือเฉยๆก็มีในจิตเราเราเห็นเฉยๆไม่ยินดีไม่เย้ลายเฉยๆแต่ทางกายมีสุขกับทุกขเท่านั้นกายนี่มีสุขกับทุกสุขเวทนาเกิดขึ้นแต่กายมันไม่รู้ว่ามันทุกนะมันจะเฉยๆตัวจิตเรานี่จะไปรับรู้มันเสรจล้จิตก็ไปทุกข จะไม่หลับไปทุกเองเพอไปยึดร่างกายกลัวร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นความสําคัญคือตรงจิตที่เราฝึกนี่ฝึกจิตของเราคำว่าอริยสัตว์สี่ก็คือมันทุกอริยสัตว์ก็คือทุกที่จิตเราไม่รู้ความจริงมันก็เลยเอาเรื่องราวมาทําให้จิตเราเป็นทุกข์เราต้องการดับทุกข์ก็คือดับทุกข์ในจิตเราถ้าดับทุกข์เมื่อไหร่ก็คือนิโรธทุกข์ดับไปดับหมดจดเมื่อไหร่ก็ถึงพนนันิพาลรูปขันเวทนาขัน สัญญาขานก็รู้แล้วสังขารละขนันอันนี้เยอะแยะเลยใช่ไหมแต่ละวันเนี่ยวันนี้เยอะไหมไปบ้านหรื อ, อยังมาเริ่มจินตนาการไปยังว่าบ้านเราเป็นยังไงมีใครอยู่บ้านบ้างหรือเปล่าไปนี่เราจะทำอะไรนี่คืออะไรทำงานอย่างเงี้ยนี่แหละสังขารละขนันใช่ไหมละ่ะแต่มีสังขารธรรมดากับสังขารที่มีตัวเราเหไหมคิดธรรมดาไม่ไมีเป็นไรอะคิดธรรมดา ธรรมดาคนมันก็ต้องมีความคิดใช่ไหมคิดไปปกติมันไม่ได้มีผลอะไรต่อเราอ่ะธรรมดาเห็นอะไรไปมันก็คิดปฏิญาณมันก็มีอ่ะเห็นคนนี้มีผู้ชายเขาไปไหนเออเขาอาจจะไปวัดก็ได้ทาบุญชุนทานแต่มันไม่ได้มีอะไรเขาใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันก็ต้องมีความคิดจิตเนี่ยมันคิดแต่อันหนึ่งมันเจ็บปวดมันทรมานก็มีคิดปรุงแต่งไปแล้วมันก็ทรมาน มันคิดว่าเอ้เรามานี่แฟนเราจะอยู่บ้านทุกวันหรือเปล่าแอบไปไหนหรือเปล่าแม้ทํามันไปมึงน่าดูละเดี๋ยวจะไปเช็คดูก่อนจะเช็คยังไงวะไปดูเสื้อเขาอ่ะมันจะมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าจะมีน้ํากลิ่นน้ําหอมไหมเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะมันมีตัวเรามันมีของเราอยู่ในนั้นมันจะเป็นทุกข์คิดธรรมดาบางทีมันไม่เป็นไรมันก็เป็นความคิดธรรมดาไปปฏิยาของจิต สังขาราะขานรู้แล้ววิญญาณขันเสียงมาปุ๊บตัวที่ไปรู้เสียงคืออะไรก็คือวิญญาณตัววิญญาณไปรู้เสียงโสตาวิญญาณไปรู้ทางหูก็โสตาวิญญาณเห็นตัวที่ไปเห็นคือตัวจักขคู่วิญญาณต้องมีจักขคู่วิญญาณต้องมีตัววิญญาณไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นภาษานี้จะต้องมีสามอย่างเสมอตาคู่กับลายตาตาเรานี่คู่กับ ลูกจะไม่ลูกคือวัตถุทั้งหลายในโลกเนี่ยเขาเรียกว่าลูกตาไปเห็นแต่ตามันจะไม่เห็นเขยตาเนี่ยมันเห็นเองไม่ได้แต่มันอาศัยต้องอาศัยตาตัวที่เห็นก็คือตัวจิตเป็นตัวรับรู้อาศัยแสงกระทบรูปนั้นแล้วก็ท้อนเข้ามาติดตาแล้วมันก็จิตมันก็ไปเห็นภาพในตาแต่มันต้องผ่านตาเพราะตาเรานั้นจะมีเลนมีเลนอยู่ในตา แล้วมันก็จะแปลสัญญาณแสงที่มันกสะท้อนเขามานั้นมาเป็นภาพแล้วจิตก็ไปเห็นตัวจิตเห็นเสียงก็เหมือนกันมันจะเป็นคลื่นใช่ไหมต๊ดมาหูเราก็จะแปลงสัญญาณคลื่นอันนี้เป็นเสียงตัวที่ไปได้ยินเสียงก็คือตัวจิตเราเขาเรียกว่าวิญญาณโสตวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละแต่มันไปทำงานทางหูเขาจึงเรียกว่าวิญญาณทางหูโสตวิญญาณ โสตคือหูวิญญาณวิญญาณทางหูมันไปรู้อารมณ์ทางหูทางจมูกคานวิญญาณทางลิ้นชิวหาวิญญาณทางกายกายะวิญญาณทางจิตมันนึกอะไรขึ้นมาปับ๊บเรื่องนั้นจะต้องเข้ามากระทบจิตก่อนมากระทบจิตมณะมนะมนะจิตอยู่ข้างในกระทบปับ๊บตัวมโนวิญญาณเข้าไปรู้ตัวที่รู้ก็คือวิญญาณมาโนวิญญาณ เพราะนั้นเวลาเวลาเวทนาขึ้นมาปุ๊บมันเจ็บตัวไหนไปรู้ว่าเจ็บอ่ะก็ตัววิญญาณนั่นแหละแต่มันเร็วมากเลยใช่ไหมเหตบพบรู้ว่าเจ็บคิดปุ๊บตัววิญญาณก็ไปรู้ว่าคิดไปรู้สังขารเป็นอะไรขึ้นมาตัวที่ไปรู้ก็คือตัววิญญาณแต่วิญญาณในทีนี้ก็คือตัวจิตเวลาไปรู้ลมปุ๊บเขาเรียกวิญญาณ เ, าเรียกว่าวิญญาณขันวิญญาณในขันห้าบางทีก็ ถ้าคนปฏิบัติที่นี่อริยมรตมีองค์แปดมันมีพลังมากๆมีกําลังมากๆเห็นมันกําลังมันมากมันก็มีผู้รู้เด่นขึ้นมารู้อยู่ตลอดรู้อยู่แต่เขาเลยเรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นธาตรู้ไปเป็นธาตรู้รู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งอริยมรคด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติของวิญญาณสามารถที่จะรู้ได้กว้างขึ้น รู้ได้มากขึ้นด้วยอํานาจของอริยมรรคในองคแปดคือการปฏิบัติธรรมรู้ไปถึงนิพพานเลยเป็นที่ดับสุดท้ายวิญญาณ น, นี้ต้องดับดับที่ไหนไปถึงนิพพานเมื่อไหร่ดับหมดดับคือไม่มีอะไรปรงแต่งเฉยเลยถ้าไปถึงนิพพานนะั้นเฉยไม่มีอะไรปรงแต่งกิตอีกต่อไปเอาเข้าใจขันห้าเลยใช่ไหมเอาก็ไปทําความเข้าใจก็ อันไหนดูอันไหนดูได้ก็ดูไปดูแล้วเพื่อจะดูเพื่อให้ปล่อยวางเวลาเราปฏิบัตินี่เราเราดูยังไงอะเวลาปฏิบัติแสดว่าพอจิตมันเริ่มนิ่งละแทนที่จะนิ่งอยู่เฉยแต่มันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันนิ่งมันเฉยมันไม่รู้อะไรแล้วก็เอาจิตมาสัมผัสรู้ที่กายนี่เขาเรียกว่ารูปประคันมาดูกายก็ได้ดูนี้เพื่อให้จิตมีพลังขึ้นมา เอามาไล่ดูก็ได้บางคนก็ไล่จากข้างในบางคนก็ไล่จากข้างนอกผมขนเล็บฟันหนังไล่เอาจิตไปผมผมผมพอเริ่มมีสมาธิแล้วก็ย้ายมาขนเล็บฟันหนังหรือบางคนเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกเขาก็เอาตรงหน้าผากแล้วก็ย้ายมาคิ้วซ้ายคิ้วขวาอันนี้ปัญญายเบื้องต้นนะเนี่ยอันนี้ตอนตอน้ตนๆจะเป็นอย่างนี้หรือบางคนก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกดูลมไปเลย ดูลมลมมันจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาเองลมนี้จะแปลกกว่าอย่างอื่นเพราะจะจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้ลมมันจะมาลมจะแสดงอาการขึ้นมนเองอันนี้เขาเรียกอนาปานสติอันนี้ก็ต้องเป็นจริตนิสัยด้วยนะบางคนก็ต้องมาดูแยกกายออกบางคนก็มีพระองค์หนึ่งท่านท่านชอบท่านพอนั่งสมาธิเมือ่อไหรท่านจะสมมุติว่า เอามีดมาแล้วก็หันห่นหั่นร่างกายแขนซ้ายออกไปหั่นแขนซ้ายออกไปแขนขวาออกไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วไปกองไว้เป็นกองกองกองท่านทํานี้แล้วจิตท่านมีพลังพอแยกออกไปหมดแล้วต่อไปก็รวมเข้ามาใหม่เดี๋ยวน่าก็แยกออกไป ใ, ห ม, มใไหม่จนกว่ามันจะเฉยเฉยเข้าใจไหมจนกว่ามันจะเฉยเฉยจิตมีกําลังก็มันจะนิ่งเฉย ไม่ต้องทาอะไรเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานั่นคือมันปล่อยได้แล้วแต่ตอนที่ไม่มีกำลังอย่างเงี้ยเราจะไปนิ่งอยู่ก็ซึมมันก็หลับมันก็ไม่ไปไม่มาก็ต้องหางานให้จิตทำเพราะนั้นบางคนจึงพิน า, าศสุภาคนที่มีการมร า, าคามันชอบติดนูน่นติดนี่นึกถึงแล้วก็มีกรรมมาคุณอารมณ์เกิดขึ้นเขาก็ใช้วิธีนึกถึงของสปกปรกร่างกายของสปกปรก บางทีบางคนเขาก็ใช้ทำสมมุติว่ามันหั่นแขนเป็นแวนเป็นกลมๆแล้วก็กระชากออกไปเห็นเนื้อแดงๆเลือดหยดติ้งๆเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาสงบบางคนก็ทาบางคนก็ไม่จาเป็นอะไรมองดูร่างกายก็เห็นแล้วไม่ใช่เรามันก็ดูไปดูไปจิต ก, ก็มีกำลังขึ้นมาจิต ก, ก็แยกออกจากกายได้จิต ก, ก็เป็นอันหนึ่งกายก็เป็นอันหนึ่งก็ขึ้นยอยู่กับความพอดีของเราเอง บางคนก็ชอบดูเวทนามันท้าทายดีรู้สึกเวทนามาเมื่อไหร่อุ้ยมันถึงใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วอรู้สึกว่าคึกคัก ข, ข, ขึ้นมาทันทีตอนไม่เวทนาไม่มาเนี่ยโอ้มันรู้จะดูอะไรดูนักไม่มั น, ไ ม, มนไม่มีร ถ, ไ ม, มรถไม่มีชาติเลยพอเวทนาตึบตึบตึบตึบคือมาพอได้ที่มาแล้วมาแล้วเอาละไหนว่าไม่ใช่ของเราเอาเลยดูเฉยเลยทีนี่เวทนาก็มันจะแรงขึ้นเองใช่ไหมสู้เลยปล่อยอย่างเดียวพอมันแรงขึ้นสู้ไม่ไหวทีนี้ เอายังไงดีล่ะนี่สู้ไม่ไหวแล้ววันนี้เออวันหลังค่อยเอาใหม่ <laughs> ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าการไงวันหลังเอาใหม่ <laughs> ก็มันสู้ไม่ไหวอ่ะทำยังไงอ่ะหรือขยับนิดหน่อยเอาขยับนิดหน่อยแล้วดูใหม่เขาก็ทาได้แต่ขยับแล้วดูใหม่ยังดีกว่าใช่ไหมออไม่ใช่เอาผู้นี้เอาใหม่อยู่เรื่อยผู้นี้เอาใหม่เลยพู้นี้ก็ไม่อยากเอาแล้วสิกลัวเจ็บอีกละ แต่ถ้าคนในเด็ดขาดนี่เขาไม่กลัวหนว่าไม่ใช่ของเราสู้เลยสู้ไปสู้ไปฝึกยิ่งเจ็บมากยิ่งธรรมะเขายิ่งมีกําลังมากสอนจิตจนจิตวางเวลาเจ็บมากๆนี่จะเห็นว่าเรามันไม่ใช่ของเราผู้เจ้าบอกว่าสักแต่ว่าเวทนานมันจะเบาลงทันทีเลยนั่นคือจิตมันรับธรรมเข้ามานี่เขาเรียกว่าฉายโยนิโสมนานิสิกาความเห็นถูกต้องเอามาช่วยพิจารณาเอาธรรมะเอาความจริงมาสอนจิต อบรมจิตจิตเข้าใจจิตยอมรับจิตจะวางธรรมะก็จะค่อยๆจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นต่อมาไม่ต้องสอนหรอกเห็นมันแยกกันเลยแยกเลยแต่ตอนแรกนี่มันสอนก่อนเพราะว่าเรากําลังฝึกอยู่เพราะบางคนไม่ต้องคิดของจริงไม่ต้องคิดใช่ถ้าถึงเวลามันปล่อยวางมันไม่ต้องคิดใช่ไหมละ่ะมันเต็มที่กําลังมันแล้วแต่ตอนกําลังไม่พอวิธีไหนทําให้มีกําลังก็ต้องเอาใช่ไหม มันไม่ใช่ของเรานะหรือไปอ่านมาได้ยินธรรมะมาหรือกำลังสู้อยู่มีเสียงเปิดซีดีเปิดธรรมะเอาไว้มันไม่ใช่ของเราอ้ใช่เลยวางเลยนี่บรรลุธรรมตอนฟังธรรมก็ได้ด้วยแต่เราต้องฝึกไปฝึกไปได้จังหวะได้โอกาสแล้วมันก็ปล่อยวางก็ลงตัวได้อันนี้คือขันห้า แล้วก็วิธีปฏิบัติต่อขันห้าเราก็รู้แล้วว่าขันห้าเนี่ยจริงๆมันอยู่เฉยๆขันห้าเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์มันถึงมีรู้รู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละมันจึงเป็นตาขึ้นมาตอนแรกมันไม่มีตัวตนหรอกมันอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมันยังไม่ได้เป็นตัวตนขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นเราขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องเป็นเราขึ้นมาในจิตเมื่อไหร่นั่นแหละคือมันเป็นอัตตาขึ้นมามันไม่เป็นอนัตตา แต่ธรรมชาติของมันก็เป็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้หายใจนี่เราบังคับไหมหรือหายใจเองหายใจเองหัวใจเต้นเองหรือว่าเราต้องไปบังคับให้มันเต้นมันเต้นเองปอดทำงานเองกระเพาะทำงานเองไตาทางานเองทุกอย่างในร่างกายเราเซลล์ทั้งหมดเล็กๆน้อยๆอยู่ทางในนู่นทางานเองหมดนี่คืออนัตตามีอนัตตาของขันหา แต่เราไปอดูภาพรวมเลยใช่ไหมเราใช่ไหมเราเรายึดเอาไว้ยึดเอาไว้ไวนี่คืออัตตานี่คืออุปาทานยึดกายเจ็บขึ้นมาก็เราเจ็บยึดเวทนาจําอะไรขึ้นมาก็มาปรุงแต่งต่อไปอีกเชื่อไปตามสัญญานั้นนี่มีอุปาทานยึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณ ได้ยินก็เราได้ยินเห็นก็เราเห็นนะมีเราแทรกอยู่ตลอดเพราะนั้นต้องพยายามที่จะสักแต่ว่าไม่ใช่ไปคิดเอานะไม่ใช่ไปพยายามที่จะทำเป็นว่าไม่มีเราอนนี้มันทำไม่ได้หรอกต้องมีสติสติไปรู้ทนันปุ๊บมันจะเป็นกลางๆปุ๊บรู้สึกเฉยๆเป็นกลางๆมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนี่เราสักแต่ว่ามันต้องมี อริยมรรคมีองค์แปดประกอบด้วยหรือว่าจเจริญสติปัญสี่จนสติปัญสี4มีกำลังแล้วธรรมะมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นเพราะนั้นเว้นจากการปฏิบัติไม่ได้เลยต้องปฏิบัติปัญญาในการตัดสินใจเรื่องการงานทางโลกและทางธรรมเป็นอันเดียวกันหรือไม่เจ้าคะปัญญาในการตัดสินใจทางโลกกับทางธรรม คือการตัดสินใจเนี่ยถ้าปัญญาทางธรรมเนี่ยถ้าใครมีปัญญาทางธรรมมันก็จะวินิจฉัยทางโลกได้ดีเพราะมันไม่มีเราแล้วพออะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นเป็นธรรมดาไปควรทํำยังไงจิตเนี่ยมันจะไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นกลางๆมันจะไม่มีตัวเรามันไม่ใช่ว่าเราจะไปอยากได้อยากเอานู่นเอานี่ทําเพื่อเราอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาดีกว่าเรามันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ เพราะนั้นการตัดสินใจมันก็ดีกว่าเพราะมันเป็นธรรมมันยุติธรรมไม่เอาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเอาตรงที่ว่ามันมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยอันไหนมันดีอันไหนมันถูกต้องเพราะฉั้นปัญหาไม่เกิดทางธรรมะนี่ปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเอาธรรมถ้าใครไม่เอาธรรมก็สนแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมเขาจะต้องมีปัญหาต่อไปแต่ปัญญาทางโลกนี้เป็นปัญญาที่ เราได้รับการอบรมมาแต่การอบรมทางโลกนี้มันเป็นปัญญาที่สอนให้คนเนี่ยโลกมากๆอยากได้อะไรมากๆวิชาการที่เขาเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้เราเนี่ยร่ำรวยให้เรามีชื่อเสียงให้เรามีเงินทองมากๆ ม, มีชื่อเสียงมากๆ ม, ม, มีลาบมียศมีสันเสริญมันก็เลยเป็นวิชาที่สร้างตัวตนขึ้นมามันก็เลยเป็นทุกข์มากชาวโลกทั้งหลาย มันจะต้องมีวิชาธรรมเข้าไปช่วยด้วยเพราะงันการแก้ปัญหาอย่างนี้มันต้องอาศัยหลักธรรมของพุทธิยถาเข้าไปช่วยมันจึงจะแก้ปัญหาแล้วปัญหาไม่เกิดถ้าปัญหาทางโลกบางทีแก้ปัญหามันมีตัวตนเข้าไปแก้เขาก็มีกิเลสตัณหาเราก็มีกิเลสตัณหาต่างฝ่ายต่างเอากิเลสตัณหาคือเอาตัวตนเข้าไปแก้ยิ่งแก้ยิ่งมีปัญหาแบ่งพักพวกแบ่งฝักฝ่าย เกิดการวิวาทกันเกิดการทะเลาะกันแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเกิดการถือตัวเกิดการดูหมิน่นเกิดการส่อเสียดเกิดการทําร้ายกันเนี่ย ป, ปัญหามันมันก็มาจากนี่แหละจากจิตของแต่ละคนเนี่ยที่มันมีตัวตนอยู่ในนั้นมันก็เลยทําให้มันมีความต้องการมีผลประโยชน์ พอมีผลประโยชน์เสร็จแล้วมันก็ไม่ยอมกันพอไม่ยอมกันก็ต้องหาพักพวกพวกเดียวกันประโยชน์ร่วมกันก็เป็นพวกเดียวกันประโยชน์ที่มันขัดแย้งกันมันก็คนละฝ่ายออกไปเพราะนั้นถ้าไม่มีวิชาธรรมเข้าไปช่วยโลกก็ต้องมีปัญหาต่อไปเพราะโลกมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะทุกคนมันมีกิเลสตัณหาอุปาทานทุกคนมีความหลงผิดว่ามีตัวเราทําเพื่อตัวเราอยู่อย่างนั้นตลอดไป ก็อยากได้เพื่อตัวเราได้มาแล้วก็รักไข้ห่วงแหนตต่นีทีเหนียวเราไม่ได้เขาได้ก็อิจฉาลิษยาแล้วไม่ให้มีทุกข์ได้ยังไงอ่ะมันเห็นอยู่แล้วเนี่กระแสทุกข์มันอยู่ในจิตอ่ะได้มาแล้วก็ห่วงแหนปกป้องคุ้มครองรักษาของตัวเองระแ ว, แวงกลัวว่าเขาจะมาเอาของเราแค่นี้ก็ทุกข์แล้วก็ต้องหาอาวุธหามีดหาปืนสร้างอะไรป้องกัน อัลขาทรัพย์สมบัติของตัวเองเนี่ยทางโลกจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางธรรมเนี่ยไม่มีเราอ่ะพยายามที่จะให้เห็นว่าไม่มีเราอยู่ฝึกไปแต่แต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไหร่มันสบายอ่ะมันไม่เอาอะไรแล้วชีวิตมันเป็นเองอ่ะมันเอาแค่อยู่ได้อ่ะพอตัวเองอยู่ได้ปั๊บมันพอเลยว่า แ, แค่นี้เองชีวิตมันไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้หรอกที่มากไปกว่า น, นี้คืออวิชาหลงอยากเอามาเพิ่มมาเติมอยากเอาไม่จํากัดมีแล้วก็อยากได้เยอะขึ้น โลกเกินประมาณโลกเกินเหตุเกินผลนี่แหละมันสร้างปัญหาหมดเลยอ่ะทางโลกอ่ะทางธรรมไม่สร้างปัญหาหรอกเอาแค่มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็มันจะรู้สึกถึงคนอื่นด้วยงั้นเราพออยู่ได้แล้วคนอื่นล่ะเออพอแบ่งปันก็แบ่งปันกันไปมันจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันจะเป็นขึ้นมาเองของมันไม่ต้องบังคับเลยไม่ต้องฝืนเลยมันมีปัญญานีปัญญาในทางธรรมมันเป็นปัญญา ประเภทที่มันไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนแล้วมันก็มีความเห็นใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นอยากช่วยเหลือจุนเจือคนอื่นแล้วก็รู้ด้วยว่าชีวิตเรามันก็ไม่นานดอกเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปมันอยู่ในจิตตลอดเวลาอยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปห่วงใยอะไรไปห่วงแหนอะไรมากมายอะ่ะเอาแค่พอมีชีวิตอยู่ได้ก็พอแล้วเนี่ยหิวบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องร่างกายธาตุขานก็รู้อยู่แล้ว ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมากมายมันก็เลยสบายเพราะนั้นการตัดสินใจทางธรรมะมันมีธรรมมันเป็นธรรมมันชอบธรรมปัญหาจึงไม่เกิดการตัดสินใจทางโลกมันมีกิเลสตัณหาอุปาทานแทรกอยู่มันมีตัวตนแทรกอยู่ปัญหาจึงมากเพราะนั้นถ้าคนปฏิบัติธรรมนี้เข้าใจธรรมะมากขึ้นปัญหาก็จะลดลงเพราะนั้น ชุมชนสังฆะของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพระยเยจ้าทั้งหลายท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยปัญหาจะน้อยพอเริ่มตั้งแต่พระสดามันบุคคลขึ้นไปนี่ก็เริ่มไว้วางใจกันได้แล้วนะในแง่ของศีลไว้ใจกันได้แล้วทุศีลเนี่ยท่านไม่เอาลนะความสื่อสัตย์ชุจริตอะไรมันก็พอมีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ถึงร้อซมันก็ยังมีตัวตนชนิดที่มานะเกิดจากมานะเกิดจากตัญหาที่ละเอียดเข้าไปอีก มันก็มีอยู่แต่ถ้าธรรมะท่านสูงขึ้นพรปัจดาบันก็ยังเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับราคะกามราคามันก็ยังอยู่เรื่องหญิงเรื่องชายมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังไว้ใจไม่ได้สนิทมันก็ยังเผลอไปรับไข้กันยังไปชอบพอกันได้เป็นไปได้อันนี้พูดถึงว่าภาพรวมพูดถึงทั้งหมดเลยแต่ถ้าสูงขึ้นไปถึงขนาดพระนาคามีอย่างเนี้ย่ันละกามราค้าได้ลัปฏิค้าได้เออไว้ใจได้ พอไว้ใจได้แต่ว่าท่านก็ยังมีตัวตนอีกที่ละเอียดมันก็ยังออกมาอีกอ่ะคือชื่อว่ากีเลนแล้วมันอดไม่ได้หรอกมันจะต้องออกมามีมานะมันก็จะแสดงออกมาเราดีกว่าเขาเขาสู้เราไม่ได้ก็เป็นมานะมันก็สร้างปัญหาได้อยู่แต่พ่อหันด้วยกันไม่จำเป็นต้องพูดกันมากไม่พูดกันก็ได้มองปั๊บรู้ละเข้าใจกันแล้วถึงท่านไม่เข้าใจเล็กเล็กน้อยเดี๋ยวท่านก็จะเข้าใจวางใจได้สนิท สนิทใจทันทีนี่ธรรมะมันเป็นอย่างเนี้แต่ว่าการตัดสินใจทางโลกก็ต้องอาศัยธรรมะมาช่วยถ้าเรายังไม่มีธรรมะก็ต้องไปปรึกษาผู้รู้ผู้ที่มีธรรมะก็อาจจะพอได้ข้อคิดเอามาตัดสินใจทําให้การตัดสินใจของเราไม่ผิดพลาดหรืออย่างน้อยเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักธรรมของพระเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นหลัก การตัดสินใจของเราก็ผิดพลาดน้อยเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าสู้มีธรรมะไม่ได้ถามหมดหรือยังคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะการสิ้นกรรมทำอย่างไรเจ้าค่ะโอ้ที่พูดมาพูดเรื่องสิ้นกรรมทั้งนั้นเลยนะเอามีใครจะตอบแทนบ้างอนุญาตให้ตอบได้สิ้นกรรมทำไงหมดกรรมยกมือขึ้นยกมือเลยแล้วจะอนุญาตให้ตอบยกมือขึ้น ใครจะตอบชิ้นกรรมทำยังไงไม่มีเลยเหรอเ <c oughs> ฮ้ยไม่รู้ว่าทำให้ชิ่นกรรมให้หมดกรรมไม่รู้เลยเหรอรู้ไหมมีท่านตอบแล้วค่ะพี่ทำไงนะ ต, ต้องปฏิบัติไออม่ยกมือแต่ว่าตอบเยอะแยะหลายๆคนนู่นนูนี่คนยกมือเอา้เอาอา่าตอบไม่ให้ชื่นใจไหน่อยนั่งสมาธิ <c oughs> ฟังเลยนะที่มี กับ <g rab ble> นรัสกสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ <g rab ble> การที่จะซิ้นกรรมนี่ก็คือว่าต้องมาปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดนะเจ้าค่ะให้หมดความเป็นตัวตนนะเจ้าค่ะหมดตัวหมดตนคือปฏิบัติจนบรรลุอริยมรคพระสวดาบันก็ยังมีตัวตนอยู่ตัวตนน้อยลงไปแล้วสตกรทาคามีเห็นตัวตนลดลงไปอีก อนาคามีก็เหลือตัวตนที่ละเอียดพอละหันตัวตนหมดเนี่ยออกจากกรรมได้แล้วพ้นกรรมแล้วพ้นการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่ต้องกรรมมาเกิดอีกแล้วกรรมทั้งหลายที่เคยทําจบเลยกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามจบหมดพอละหันเนี่ยทำบุญทําทานไว้มากแค่ไหนก็ตามหยุดเลยไม่ต้องเอามาเกี่ยวของเนื้อบุญเนื้อบาปจบหมดกรรม บุญที่ว่าทําบุญมากๆถาวายเงินนั่ น, น, นสร้างวัดสร้างบ้สาบสร้างอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปเสวยผลบุญเหล่านั้นหยุดเลยพอเลยจบเลยไม่เกี่ยวกับบุญเลยแต่ถ้าหาว่าเออคนทั่วไปนีจาเป็นอาศัยบุญเพราะว่าบุญนี่มันเป็นเครื่องชําระจิตบุญนี่มันเป็นเครื่องขัดเกลาทําความดีเสียสละละความตระนีตีเหนียวขัดเกลาจิตใจ ให้จิตใจของเรามีความเบิกบานอิ่มเอิบสงบสุขสบายมีสมาธิง่ายนีย่จากสมาธิก็ฝึกต่อไปให้มันเห็นความจริงเห็นแล้วมันจะปล่อยวางเห็นขันห้ามันไม่ยึดขนันห้าว่าเป็นเรานี่มันก็วางหมดอ่ะปัจดาบันปับ๊บบรรลุปัจจุบันปั๊บเนี่ยกรรมทั้งหมดที่เคยทำเอาไว้ที่จะทำให้ตกอบายภูมิเนี่ยประหารหมดเลยขาดไป ห, หมดเลยดับหมดเลย ปิดประตูวายภูมิได้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอริยมรรคเนี่ยตัดพพตัดชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็ลดลงที่จะเกิดเป็นอสงไขสงไขภบโสดาบันปุบเหลือแค่เจ็ดชาติดูซิเนี่ยมันตัดได้เนี่นี่แหละมันจึงพ้นกรรมไงกรรมที่เคยทําไว้นี่มันที่จะพาไปเกิดนั่นเหลือแค่เจ็ดชาติ่ะหรือถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็เหลือสามชาติหรือถ้าอินทรีย์แก่กล้าหน่อยก็เหลือชาติเดียว เกิดเป็นมนุษย์ปับ๊บบรรลุเป็นพราหมณ์เลยเกิดอีกชาติเดียวถ้าพระสกทาคามีปั๊บแน่เลยถ้าเกิดเป็นมนุษปั๊บชาติเดียวแน่นอนพบชาติสั้นลงเลยที่เกิดเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ท้วนหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่พบนะ่ะพอปฏิบัติธรรมปั๊บบรรลุพระสกทาคามีเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแต่ถ้าเป็นเทวดานี่อีกสองชาติคือเทวดานี่พอเขาบรรลุพระนาคามีปั๊บเขาจะต้องไปเป็นพรหม ผมแล้วก็มารู้ธรรมบนทมมาโลกโน้นเนี่ยมันจริงอีกสองชาติถ้าพระนาคามีตั๊บไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วไปเลยอารมณ์ทั้งหลายในโลกไม่ห่วงใยอะไรเลยลูกเสียงกลิ่นลดสัมผัสพระนาคามีนี่เฉยๆเลยเพราะฉะนั้นพระนาคามีนี่ท่านจะสบายๆเลยรูปลถเสียงกินอาหารการกินการรับประทานไปท่านดูสบายๆอะไรอร่อยก็เอามาได้คล้าย พอรู้พอเข้าใจอ่ะแต่จิตไม่ติดไม่คล่องแล้วอ่ะเพราะว่าท่านปล่อยวางได้แล้วเพราะนั้นตายแล้วจึงไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกไปเกิดเป็นพรมชั้นสุภาวาสแล้วจิตก็จะหมุนตัวเองปฏิบัติเองพระนาคามีนี่ใครที่เป็นพระนาคามีเนี่ยท่านจะตามดูจิตตามดูจิตแก้จิตตามดูจิตแก่จิตอารมณ์ข้างนอกไม่ค่อยสนใจอ่ะสนใจแต่ข้างในมันจะมีตัวตนขึ้นมาบอกนี่นีนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ย พอแวบๆขึ้นมาเห็นอีกแล้วหนักขึ้นมาแล้วมีเราขึ้นมาอีกแล้วท่านก็จะตามสอนตามแก้ไปบางทีไม่ต้องไปสอนไปแก้อะไรเห็นปั๊บมันก็ดับไปเห็นปั๊บมันก็ดับไปเนี่ยพอขึ้นอนาคามนี่ปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้มันจะจ่อข้อหาจิตเลยมันจะเป็นเองอารมณ์ข้างนอกมันไม่สนใจแล้วนี่มันก็จ่อข้อหาจิตมันจะไม่คาดเคลื่อนไปจากจิตดูข้างนอกก็เข้ามาดูข้างในดูข้างในก็เห็นข้างนอกด้วยเพราะว่าสมาธิของท่านมันมีพลังมันมีกําลังมากพอ จนกระทั่งประหารกิเลสได้หมดอวิชาดับหมดแล้วหาวนี้สว่างสวายโล่งโปร่งหมดสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีอะไรครอบงําอำพางกิตของท่านได้โล่งโป่งไปหมดเลยจิตว่างหมดเลยมันก็ไปตามลำดับตามลำดับเ่เพราะนั้นใครอยากพ้นกรรมก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พูดมาตั้งแต่วันแรกคนถามก็เอาไปปฏิบัติเอานะจะได้พ้นกรรมนะ ไม่ใช่ถามเสร็จแล้วก็กลับไปทำกรรมต่อ <c oughs> มันก็เป็นกรรมเหมือนกันการปฏิบัติเข <Perfect, S 1> ้าใจไหมกรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมเพื่อออกจากกรรมเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่กรรมนะแต่ถ้าเราเข้าใจผิดปุ๊บเข <c oughs> ้าใจผิดทมเพื่อตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่ pretending. มันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งคนปฏิบาาัติธรรมมันตกนรกก็ได้เข้าใจไหปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันเพิ่มขึ้นเอ มีมานะอู๋ฉันเป็นคนปฏิบาาัติธรรมธรรมะฉันสูงอะเธอชื่อฉันไม่ได้หรอกไม่ได้เรื่องไม่ได้เสี่ยวนึ่งของฉันเห็นไหมขี้เลร่ไหมเนี่ยมานะนี่แย่เลยไปดูถูกเหยียดย้ำคนอื่นตายแล้วไปไหนอะ่ะอาบายภูมิเอามีคนไปดูมาเขาบอกอุ้ยเต็มไปหมดเลยชุดขาวก็มีเขาว่าชุดเหลืองก็มีสีเขียวสีดําสีลายมีหมดเลยเขาวอะเยอะเลยพวกปฏิบัติธรรมทั้งนั้น ปฏิบัติธรวางใจไม่ถูกเขาจะไหมเอานี่ปฏิบัติก็เป็นกรรมไม่ใช่ไม่ใช่กรรมนะแต่เป็นกรรมถ้าวางใจถูกเป็นกรรมเพื่อออกจากกรรมถ้าถูกทางมันจะค่อยๆ อ, ออกออกปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยหลุดสุดท้ายหลุดเอาถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันจะหลุดได้ไหมมันก็ไม่ได้อ่ะจะให้มันหลุดพ้นเลยนั่งนึกเอาออพ้นไหมไม่พ้นอ่ะถ้าพ้นได้ก็ดีนะไม่เอาไม่ยุดอะไรแล้วกูไม่เอาอะไรเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา แล้วแล้วมันได้ไหมล่ะเหมือนก็ทําไม่ได้ไงถ้าได้ปุ๊บยิ่งดีถ้าเราตัดตั้งใจงไว้เลยจะไม่เอาอะไรพยายามเอาเอาพออยู่ได้นะเอาพออยู่ได้ไม่โลภมากก็ก็อย่างนา้อยก็บังคับตัวเองได้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็ทำให้ดีขึ้นนะเออช่วยได้อยู่พิจะะารณาเลยเท่าที่จําเป็นเอาถ้าว่าเรามีเงินมีทรัพย์มีอะไรมากมอันไหนมันเป็นประโยชน์มากๆที่มันจะเสริมสร้างบา ร, รมีของเราให้มันออกจากรูปให้มันได้เร็ว แล้วก็ทำสิโดยเฉพาะให้ทําประโยชน์แก่พระศาสนาโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญที่ใหญ่มันยิ่งใหญ่มันมีผลต่อจิตเราสูงพวกเทวดาพวกที่มีความศรัทธาเลื่อมใสพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่าขการบูรณาธรรเขาก็ยจะมาช่วยเหลือเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นทางอ้อมทางลับๆอ่ะเนีมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีน ะ, ะเขาจะคอยหุ้มหอ่อคอยดูคอยแลคอยช่วยเหลือเกื้อห น, นุนอยู่เนี่ยถ้าเดินทางถูกมันก็เป็นอย่างนี้มันก็จะเรินขึ้น เนี่ยถ้าทําถูกต้องมันจะเลยเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องปฏิบตัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องวางใจให้ถูกถ้าวางใจไม่ถูกไปยึดการปฏิบัติวิธีห้องฉันเนี่ยวิปัสนาของเธอไม่ได้เรื่องเอาไปดูถูกคนอื่นอีกแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นกรรมนะั่นเกรรมทางจิตใช่ไหมล่ะดูถูกเขาแล้วเนี่ยมาแสดงออกมาเดี๋ยวก็ทะเลาะบอ่แว้งกันคนปฏิบัติจะทะเลาะกันเยอะนะใช่ไหมสายนั้นสายนี้ สายแล้วก็ไม่เช้าสักทีหนึ่งสายอยู่เรื่อยไม่สว่างททีสายอยู่เรื่อไ ย, อยอไม่เช้าไม่อะไรเลย เ, ออเพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้มันยึดไงพอยึดแล้วไปไหนที่นี่ยึดเมื่อไหร่เป็นอุปทานเมื่อนั้นที่เราปฏิบัติเพื่อละอุปทานยึดไม่ได้เพราะนั้นต้องปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพื่อคลายออกแม้การปฏิบัติ วราเราหนึ่งเราตึงเน้นว่าต้องเอาพระเจ้าเป็นหลักไว้ใครมาแบบไหนก็ได้ขออย่างเดียวว่าให้จิตเขามีสติรักษาจิตแล้วก็เพื่อการรู้ความจริงและปล่อยวางเห็นว่าไม่มีตัวเราแล้วปล่อยวางสายไหนก็ได้มาเลยเพราะมันหลักการมันมันตรงกับพระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็ไปที่เดียวกันต้องเห็นพระไตรลักษณ์เห็นว่าไม่ใช่เราแล้วก็วางที่เดีวยวกันหมดต้องเป็น อ, อย่างเดียวกันหมดไม่ต้องทะเลาะกันให้เสียเวลาสําคัญตรงเดียวพูดออกมาแล้วมันมันตรงไหม ของเขาอ่ะตรงไหมถ้ามันตรงมันจะต้องเหมือนกันถ้าอันหนึ่งตรงอันหนึ่งไม่ตรงมันก็ไปขัดแย้งกันบางคนก็เอาของต่ําๆของปฏิบัตินิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คิดว่านี่แหละนี่แหละมีมีหลายคนเขาขึ้นไปเขาไปถามพอเริ่มเห็นจิตเห็นอะไรว่ราดวจิตแล้วดูจิตแล้ ว, จ, ลวจิตมันยังไม่ทันเป็นสมาธิเขาจะไหมเห็นจิตไปมาไปมาเห็นความเกิดดับแล้วมันยังไม่ทันเป็นสมาธิพอเริ่มเป็นสมาธิปุ๊บนี่พระโสดาบัน เอ้า น, นี่เขาไปถามก็ไม่ถามก็โซดาก็ตะบันเข้าไปจริงๆเราบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปสนใจชื่อมันหรอกบอกเอาให้คุณให้พ้นทุกข์ก็แล้วกันคือไม่ต้องไปตําหนิกันบอกว่าเออปฏิบัติไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอาให้มันพ้นทุกข์ไม่มีตัวตน่ะมันถูกต้องแล้วไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เพราะทุกข์มันไม่มีในจิตทุกข์มันเบาบางลงจากจิตเราแล้วอ่ะ กระทบอารมณ์แล้วมันเกิดดับเร็วๆทุกน้อยๆอย่างเงี้ยสึ่ว่ามันเคยโกรธเนะื้อมันทุกเนี่ยเคยโกรธเป็นวันเคยคิดเป็นทุกทั้งวันต่อมามันลดลงเหลือสักครึ่งวันเนี่ยครัดีแล้วใช่ไหมละ่ะต่อมาเหลืออีกชั่วโมงหนึง่งเหลือมาต่อมาเหลือสิบนาทีต่อมาเหลือห้านาทีต่อมาแค่ดูเดี๋ยวมันก็ดับไปเอออย่างนี้ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้เอามีไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้ค่ะทีนี้ก็ปฏิบัติละทีเดียเอ้า อกลงหนึ่งชั่วโมงไม่ขยับแต่ห้ามซึมบางคนไม่ขยับจริงๆนะแต่ไม่รู้ตัวเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรทั้งนั้นอะ่ะปล่อยวางปล่อยวางาตั้งใจไว้ถ้าหากเราจะลอง ลองสู้ดูนะเอาให้เต็มที่เลยถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วสู้ต่อไปใจจะขาดแน่ๆแล้วค่อยขยับขยับก็นิดหน่อยแล้วดูใหม่นะเอาอย่างนี้กันแล้วกันเรียกว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วบูชาพระพุทธเจ้าเรามาปฏิบัตินี่เพื่อให้มันได้นิสัยเอาไปปฏิบัติที่บ้านเราเรามาฝึกเรามาฝึกความเข้มแข็ง ปฏิบัติแล้วเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อที่บ้านาก่อนจะปฏิบัติก็ตั้งใจเอาไว้นะว่าเราตั้งใจจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติเนี่ยท่านเด็ดเดี่ยวท่านจริงจังมุ่งมั่นบากบานจริงจังแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดนะไม่ใช่ไปอยากนะ แต่หมายคือว่ามีความเด็ดขาดอยู่ในจิตอ่ะมีความจริงจังอยู่ในจิตแต่ไม่ใช่อยา่าไม่ใช่ตั้งใจปฏิบัติแต่ก็โอ้ยอยากเห็นหนู่นอยากเห็นนี่อยากได้สมาธิอยากได้ปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นอยากหนุดอยากค้นอยากได้มรรคได้ผลนั่งลงไปนี่โอ้ย ห, หนึ่งชั่วโมงไม่ขยับสงสัยเราได้พระโสดาบันแน่ๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องไม่เอาอะไรเลยขอให้ได้ปฏิบัติแต่เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมีความเด็ดเดี่ยวทางจิตใจ มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญนึกถึงวันสุดท้ายที่พระเจ้าปูหญ้าคาลงไปนั่งขาดสมาธิลงไปปั๊บอธิษฐานจิตทันทีเลยแม้เนื้อเลือดเจอเหิดแห้งเหลือเต่นหนังเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกำลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์หมายว่าจิตของท่านเด็ดขาด สละชีวิตอ่ะเนี่ยธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมาจากจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจิตใจที่อาหารสละชีวิตเลยเพื่อธรรมะเพราะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพปฏิบัติด้วยความตั้งใจมาให้ใจเราอกแวกออกไปทางไหนให้มุ่งปฏิบัติอยู่ภายในตัวเรานี้แต่ไม่ใช่เคร่งเครียดไม่ใช่หยา อยากนี่คืออยากได้ผลไปมุ่งที่ผลแต่พระเจ้าสอนให้สร้างเหตุเน้นที่สร้างเหตุอะไรจะเกิดเราก็เอาหลักพระเจ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือปล่อยวางนั่นแหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองมันเกิดเองเพราะเราปฏิบัติผลมันจึงเกิดขึ้น ผลมันเกิดขึ้นยังไงเราแค่ดูเราแค่สังเกตเป็นผู้สังเกตเป็นผู้ดูดูด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็คือดูด้วยการปล่อยวางเมื่อเราวางใจถูกต้องอะไรเกิดขึ้นจิตเราก็ไปรู้ว่ามันเกิดเองถ้ามันตั้งอยู่ก็รู้มันตั้งอยู่เองดับก็ดับไปเอง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันถ้าคนที่ปฏิบัติใหม่ๆซึ่งว่าเราเริ่มคุมจิตไอจิตเนี่ยเนื่องจากว่าเราปฏิบัติใหม่อยู่จิตมันเคยชินกับการคิดเดี๋ยวก็คิดไปเราก็ต้องทําความเข้าใจให้เข้าใจว่าธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งอารมณ์คนที่มีจิตน่ะมันต้องมีความคิดในจิตของเรามันจะมีสัญญามีสังขาร มีเวทนาอยู่ในนั้นมันก็เลยมีการปรุงแตกมีการคิดนึกขึ้นมาพอเราเข้าใจธรรมชาติของจิตเราก็วางเป็นกลางได้ก็จเจริญสติไปพอสติเรามันต่อเนื่องมันมีกำลังมันก็จะคุมจิตได้ควบคุมจิตได้เพราะนั้นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าสติเนี่ยเหมือนเส้นเชือกไอ้จิตเหมือนลิงลิงมันเร็วมันจะกระโดดเขาก็เลยเอาเชือก มัดดิงไว้ติดกับต้นไม้ดินงกระโดดไปมันก็ติดเส้นเชือกเส้นเชือกก็ล้งไว้เส้นเชือกก็ล้งไ ว, เเงไว้เพราะนั้นตัวสตินี่แหละมันจะล้งจิตไว้คุมจิตไว้จิตก็จะอยู่อยู่เพราะสติคุมจิตจิตอยู่นานขึ้นก็เรียวเป็นสมาธิอันนี้เป็นสมถะสำหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ๆคนที่บัตรผ่านไปแล้วนี่มันมันไม่สนใจหรอกไอ้พวกนี้มันก็อะไร กิึก็รู้ไปเลยรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไปเลยรู้ก็แทนที่จะรู้จุดเดี้ยมก็รู้หลอบหรู้กว้างๆขยายความรู้ออกไป เ, เรื่อยเรวว่าสติสัมปชัญญะต่อมาก็เป็นสติปัญญาเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเราโชคดีที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ลงใจกับพระพุทธเจ้า ความเพียรพยายามอดทนก็เต็มที่ความพยายามเต็มที่มุ่งมั่นมุ่งตรงต่อความพ้นทุกข์พ้นทุกข์แล้วก็มีความตั้งใจที่จะนําความรู้นั้นนําธรรมะนั้นมาเผยแผ่มาประกาศมาอบรมสั่งสอนให้สาวกรู้ตามนี่คือพระพุทธเจ้า แล้วพระเจ้าของเราเนี่ยมีธรรมะมากที่สุดเลยเพราะเกิดในยุคมนุษย์อายุร้อยปีมนุษย์อายุร้อยปีมีทุกข์มากพระองค์ก็เห็นความทุกข์ในจิตของคนทั้งหลายพระองค์ก็สอนไปตามอัธยาศัยผมก็เลยมีมีธรรมะมาก8ป0 0มสี่พันมัธ ร, รมขันเราก็เลือก เอาที่มันถูกจริตของเราธรรมะเมื่อสมัยพุทธเจ้าท่ารู้อัธยาศัยท่านก็แสดงธรรมตรงกับอัธยาศัยแค่กันเดียวก็บรรลุปฏิบัติตามแล้วก็บรรลุเป็นพหานามัยแต่ยุคสมัยนี้ก็ฟังเอาแล้วก็เลือกเก็บเอาไปค่อยๆสะสมไปปฏิบัติเรื่อยไปพอจิตของเรามันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นกันห้า ผ wow, okay> um: ู้ทุชนปฏิบัติก็ต้องมาดูขันห้าเพื่อความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็มาดูขันห้าต่อไปเพื่อเป็นพระสกจาคามีพระสกจาคามีก็ต้องมาปฏิบัติในขันห้าเพื่อเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ต้องมาดูขันห้าเพื่อเป็นพ่อหลานพร่อหลานก็ต้องมาดูขันห้าเพื่อเป็นเครื่องวิหารธรรมก็อยู่ขันห้าไปเอาให้ทําความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัว มีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้รู้ให้รู้รู้ด้วยจิตใจที่เป็นปกติเป็นกลางนั่นคือจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็สังเกตว่าเรารู้เนี่ยเรารู้แบบจดจอ่เอเข้าไปรู้หรือว่าจิตเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่อะไรเกิดขึ้นก็รู้ร่อ ว่าจิตมันเข้าไปรู้อันอื่นไปรู้อันใดอันหนึ่งไปจดจ้องอยู่อันนี้แสดงว่าจิตของเรากำลังยังไม่พอก็ต้องพยายามต่อไปคือมันพอดียังไงก็ดูไปแต่ว่าการที่มันเข้าไปคลุกกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างนี้เช่นเวทนามาปั๊บเนี่ยถ้าจิตมีกำลังพอหรือเวทนามันไม่แรงมากจิตของเราเนี่ย มันดูเฉยๆได้จิตก็จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเป็นปกติเวทนาก็สักว่าเวทนาเวทนาก็เป็นอันหนึ่งจิตผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นอันหนึ่งไม่เข้าไปคุกคล้าวกันพ่อนเวทนาเนี่ยมันไม่รู้อะไรมันเป็นเวทนาเฉยๆมันจึงสักแต่ว่าเวทนาแต่ตัวที่ไปรู้คือตัวจิตจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ มันสามารถรู้อารมณ์ได้รู้อารมณ์แล้วปฏิยาของจิตเนี่ยมันก็มีอยู่รู้แล้วมันก็จะรู้สึกได้ว่ามากน้อยทนได้มันก็ดูสบายสบายถ้าสบายสบายก็แสดงว่ามันทนได้ง่ายมันไม่ทุกข์มากแต่มันทนได้ยากก็คือรู้สึกจิตของเราอ่ะมันอึดอัดมันขัดข้องมันต้องอดทนต้องใช้ความพยายามมาก อันนี้คือทนได้ยากทนได้ยากนี่คือทุกข์มากมันเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทนได้ยากแต่ว่าเราต้องการให้เวทนาเป็นเครื่องมือฝึกจิตของเราเราก็ต้องมาพยายามรักษาจิตเราไว้เชื่อตามพระพุทธเจ้าไม่ยินดีไม่ยินไลทําทใจไม่ยินดีไม่ยินไลจิตที่ไม่ยินดีไม่ยิน้าลเนี่ยมันถึงจะรับรู้ เวทนาเห็นเวทนารู้เวทนาว่าเวทนานี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเวทนานี้มันอยู่ของมันถ้าเข้าใจเวทนามกนเข้าใจกายเข้าใจจิตเหมือนกันเน่ะดูอะไรก็ตามมันเป็นแบบเดียวกันดูเพื่อให้รู้ว่าธรรมชาติของมันมันอยู่ของมันตามธรรมชาติของมันเราอย่าไปมีอุปทานกับมันเราอย่าไปยินดียินร้ายกับมันแค่ดูเฉย ดูกายก็ดูเฉยๆให้รู้ว่าร่างกายก็อยู่ทำธรรมชาติของมันมันก็เป็นศักด์แต่ว่าธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นมันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟที่เราไปให้ความสําคัญกับร่างกายมากเพราะเราหลงมากเรายึดมากเราจึงไปประดับตกแต่งร่างกายมากไปหวงแหนร่างกายมากบํารุงปนเปลอรร่างกายมาก สร้างอะไรต่ออะไรเพื่อร่างกายทั้งนั้นทําการทํางานก็เพื่อล่างกายอันนี้แหละสร้างที่อยู่ที่อาศัยเสื้อผ้าแพพันกระเป๋ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เครื่องสําอางอันนั้นอันนี้ส่วนใหญ่เน้นที่ล่างกายแต่พระพุทธเจ้าเน้นที่จิตเอาร่างกายเป็นเครื่องมือฝึกจิตเพราะฉะนั้นนั่งนานร่างกายเจ็บขึ้นมามีเวทนาขึ้นมาก็ต้องสู้ทน เจ็บรู้ว่าเจ็บปวดรู้ว่าปวดเพื่อให้จิตรู้ว่าเวทนามันอยู่ที่ร่างกายมันไม่ใช่จิตเพื่อให้จิตมีปัญญารู้อยากปล่อยวางไม่ไปเอาเรื่องข้างนอกมาทำให้จิตเป็นทุกข์แม้แต่เวทนาแม้แต่ร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเอาจิตเข้าไปรับรู้แค่ว่าเออมันเป็นเรื่องร่างกาย แต่เราจาเป็นต้องใช้ร่างกายมันเป็นเครื่องใช้ของเราเราจึงต้องมาดูแลเราต้องทำการทำงานเพื่อที่จะหาเงินเพื่อให้ได้เงินมาซื้อข้าวปลาอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้ให้มีชีวิตลอดต่อไปมีบ้านมีเรือนมีเครื่องอานวยความสะดวกเราไม่ได้ยึดร่างกายไม่ได้ติด ทำแบบมีปัญญาอีกอันหนึ่งเนี่ยแบบลุ่มหลงแบบบำรุงบำเลอปนเปลอชนิดที่ไม่รู้เรื่องนี่เขาเรียกว่าแบบหลงอีกอันหนึ่งแบบรู้ทําด้วยความรู้ทําด้วยความเบาทําด้วยความสบายทําด้วยความรู้แจ้งทําด้วยความเข้าหัวเข้าใจทําไปด้วยปล่อยวางไปด้วยร่างกายเป็นอะไรก็เรียนรู้ศึกษาไปรู้ว่าเออเรามีร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละร่างกายก็ได้มาด้วยกรรมเก่ากรรมเก่าที่เคยทําเอาไว้ มันก็ให้ผลมันก็สร้างร่างกายขึ้นมาเราเข้าใจเราก็วางเอาร่างกายมาเป็นหินรับสติปัญญาหรือจะแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเพื่อเห็นว่าไม่มีเราก็ได้หรือจะดูเป็นเวทนาเวทนาเรียวเวทนาธาต์ก็ได้ด้วยสักดะวเวทนามันเจ็บเจ็บไปเลยเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิต จิตก็ดูเฉยเฉยไม่ยินดีไม่เย็นร้ายความเข้าใจมันมีความลึกซึ้งถ้าเราดูในขณะจิตเป็นสมาธิมันจะลึกซึ้งหรือแยกออกหรือมีโยมที่มาเล่าว่าเออดูเวทนาไปสุดท้ายจิตมันวางเวตนามันปล่อยเวทนาแต่มันปล่อยได้นิดหน่อยมันปล่อยได้ครั้งสองครั้งมันยังไม่พอมันปล่อยมันยังไม่ชัดแจ้งตามความเป็นจริง ต้องให้มันปล่อยชนิดที่สุดท้ายมันรู้เข้าใจหมดเลยว่าอเวทนาเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่เราจริงๆมันลงใจเลยลงใจสนิทใจเลยว่าเวทนาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นศัพ์แต่ว่าเวทนาแล้วไม่เคยหลงลืมเลยติดอยู่ในจิตตลอดเวลานี่เขาเรียกอริยมรตโซดาปฏิมรตมรเบื้องต้นมครครั้งที่หนึ่งมันวางได้สนิทวางได้เด็ดขาด ไม่ว่าวางกายหรือวางเวทนาวางจิตก็ตามวางธรรมก็ตามนี่มันจะต้องตัดสินกันบรรลุมรคขึ้นมาแล้วก็บรรลุผลมีมรคมีผลเกิดขึ้นกับจิตเราจิตก็เป็นมรคจิตเป็นผลจิตไม่ใช่จิตคนธรรมดาเป็นโลกุตรจิตเป็นจิตของพระอริยเจ้า จากคนธรรมดาสามารถเปลี่ยนเป็นจิตของพระเรลียเจ้าได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไม่กลัวการปฏิบัติเราต้องเพียรพยายามอดทนปฏิบัติวิทนามาอย่างนี้เราก็ต้องเอาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราเอามาเป็นหินรับสติปัญญาภุกจิตให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อนจิตเข้มแข็งขึ้นมาแล้วจิตก็จะมีภูมิต้านทานขึ้นมา ก็จะสร้างปัญญายาณขึ้นมาเพื่อที่ออกจากการยึดติดข้องสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นะปล่อยวางเวทนาแล้วมันก็รู้รอบมันมีกำลังแล้วมันจะรู้ลอบเลยนะดูกายก็เห็นเวทนา เห็นจิตดูจิตก็เห็นเวทนาเห็นกายสักแต่ว่าหมดเลยจิตก็เป็นอุเบกขาราบเรียบนี่คือเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยว่างจิตก็ว่างแต่ว่างในที่นี้มันยังไม่ว่างมันว่างจากอารมณ์ไม่ไม่ว่างจากตัวมันเองมันยังไม่สามารถดูตัวเองได้ก็มีจิตเนี่ยมันดูอย่างอื่นไปก่อน ดูกายบ้างดูเวทนาบ้างดูสิ่งที่มาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับเรียกว่าเจตสิกไงดูพวกสังขารดูอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันตามดูข้างนอกแต่ตัวจิตนั้นมันวิ่งไปดูมันยังไม่ได้เห็นจิตต่อมาถ้าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมามันดูอย่างอื่นด้วยก็เห็นผู้ดูด้วยดูกายก็เห็นผู้ดูด้วยดูเวทนาก็เห็นผู้ดูด้วยดูจิตก็เห็นผู้ดูด้วย คราวนี้ก็เริ่มเห็นได้กว้างขึ้นมากขึ้นเห็นก็เห็นรู้สึกได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ว่าดูอะไรก็ตามบางทีก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ว่ามันเข้าใจอยู่มันเฉยอยู่แต่มันรู้อยู่ในตัวเองแล้วมันไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องพูดก็ได้แต่ใหม่ๆนี่มันอาจจะต้องพูดอาจจะย้ำมันต้องการตอกย้ำให้จิตนี้เข้าใจให้เข้าใจให้ลึกซึ้ง แต่มันเข้าใจพอแล้วมันเฉยเลยไม่พูดไม่จาอะไรเฉยๆร่างกายก็อยู่ของมันไปวทนาก็อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยหนึ่งเราก็แค่ดูรู้สบายๆมันมันเจ็บมันปวดหน่อยก็ทนเอาหน่อยทนได้ยากก็ทนเพราะเรามีร่างกายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ละยอมรับได้มันก็วางสัญญายิ่งดูง่ายพับมาเดี๋ยวก็ดับไปแล้วสังขารแต่ก่อนเราคิดว่ามันสังขารเป็นเราความคิดเป็นเราเป็นเราคิด ความอยากก็มาในรูปของความคิดเราก็ว่าเราอยากเราได้อยากได้น่น อ, อยากได้นี่ถ้าได้แล้วจะมีความสุขมันก็จะปรุงแต่งเพื่อจะเอาเป็นอุปท า, านขึ้นมาปุงบ่อยขึ้นอยากบ่อยขึ้นแรงขึ้นอุปท า, านก็หนาแน่นขึ้นมันก็ดิ่นลนเพื่อทํากรรมทํากรรมแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนไปตามอำนาจของกรรมนั้นมันก็สร้างเป็นกระแสทุกข์ขึ้นในจิตเกิดเป็น ฉลามลณะโศกะปริเทวะชลาในที่นี้ชราโมรณะก็คืออารมณ์ในจิตมันจะดับแต่ก่อนมันจะดับเนี่ยมันก็อาจจะมีทุกซ้อนขึ้นมามีเรื่องมีราวขึ้นมามีโศกะมีปลิเทวะมีทุกขะมีโทมณัสสะมีอุปยัสสะมันก็เลยเป็นกระแสทุกข์ขึ้นในจิต แต่ถ้าเรารู้แล้ววิธีการเราทุกขึ้นมาทางไหนเราก็ดูทุกให้กำหนดรู้ทุกทางจิตเราก็รู้รู้แล้วเห็นทุกเกิดเห็นทุกดับจิตก็ไม่ไปยึดทุกจิตก็ปล่อยวางสุขวางทุกได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เห็นพระไตรลักนี่คือเห็นสัจธรรมเห็นความจริงจิตก็จะปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆวางไป วางได้เต็มที่แล้วมันจะสรุปตัดสินลงไปครั้งที่หนึ่งก็พระโสดาบันครั้งที่สองสกทาคามีครั้งที่สามภาณาคามีครั้งสุดท้ายก็พ่อลหันหมดการหมดงานแน่นอนแล้วที่นี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งขึ้นในจิตรู้เลยว่าชาติสิ้นแล้วขีนาชาตินะ้วุชิตังพรหมจริยังคมจันย่จบแล้วอาตังกรณียัง การงานก็จบแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อดับทุกขเพื่อออกจากทุกขเพื่อละกิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีอีกแล้วกิจที่ต้องทําแบบนี้ไม่มีอีกแล้วท่านก็จะมียารู้สึกขึ้นมาได้ในจิตรู้ขึ้นมาจิตก็จะว่างหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอุปาทานหมดความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ของโลกก็อยู่ไปขาดไป ดับไปสิ้นไปไม่เข้ามาก่อกวนไม่มารบกวนในจิตรู้ว่าตัวเองอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือโลกอารมณ์ของโลกไม่สามารถเข้ามาทำให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไปจิตก็มีเหมือนไม่มีก็เลยไม่มีอะไรไปเกิดเพราะนั้นคนที่ถามว่าอย่ากออกจากกรรมพ้นกรรมก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นทุกถึงพระนิพพานอันเดียวกันเอาให้ดูเป็นโอกาสสุดท้ายเดี๋ยวเราจะหยุดละ มองเข้ามาเลยมองตรงๆดูตรงๆดูแล้วก็สังเกตว่าจิตเราอยู่ยังไงเอาจิตเลยรวบลัดตัดตอนมาที่จิตจิตเราอยู่ยังไงจิตกำลังดูอะไร ย, น ย, นยไินดียินไลมีไหมถ้ามันดูเย้ยไม่ยินดีไม่ยินไลถูกแล้วมัแสดงมันเห็นแล้วมันมีอะไรเป็นเราเป็นของเราแล้วมันรู้มันเข้าใจแล้ววางแล้ว ร่างกายก็วางแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราแน่นอนสุดท้ายมันต้องตายเพราเราเราฝึกวางมันซะก่อนวางกายเอาไว้มันตายแน่ๆของตายของข้าอาศัยชั่วคราววางร่างกายเอาไว้เวทนาก็เกิดกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ของเราเวทนาเป็นของเราไม่ได้วทนาเกิดแล้วต้องดับ จิตก็เป็นอันหนึ่งเวทนาเป็นอันหนึ่งแยกกันอยู่เห็นนี่แหละเห็นด้วยจิตเห็นด้วยญาณต่อมากระทาจิตเห็นไหมสัญญามาทันไหมปรุงแต่งเป็นสังขารมาดับเร็วหรือดับช้าทามันดับเร็วมันก็ว่างได้เร็วจิตก็ไม่มีอะไรรบกวนถ้ามันตัดสินลงไปแล้วมันอารมณ์มันขาดออกไปแล้วอะไรที่จิตไม่ยึดมันจะปล่อยปล่อยแล้วมันจะไม่ไปเอาเรื่องที่มันปล่อยวางนั้นเด็ดขาดแทนมายึดมาปุงแต่งอีก มันก็จบไปอารมณ์ก็น้อยลงน้อยลงเพราะนะั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่เป็นพระอริยะเจ้าอารมณ์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆขาดออกไปขาดออกไปขาดออกไปมันก็จะเหลือเล็กๆน้อยๆขึ้นมาที่มันยังเหลือค้างคาอยู่ในจิตสุดท้ายอารมณ์ของโลกขาดเราไปหมดแล้วเหลือแต่จิตที่มันมีตัวตนแทรกอยู่ในนั้นจิตที่มีอวิชชา มีความรู้สึกเป็นตัวตนความหลงนานๆเกิดเป็นตัวเราขึ้นมาทีนึงแต่มันก็มีน้ำหนักนานๆก็ก่อปัญหาขึ้นมาอีกทีหนึง่งเป็นทุกข์ขึ้นมาทีหนึง่งมันนานๆมั น, นมก็เผย อ, ออกไปทีหนึง่งจิตก็รู้ว่ามันยังอยู่ยังอยู่ยังมีงานอยู่แล้วก็พยายามต่อไว้อีกสังเกตต่อไปอีกดูต่อไปอีกสุดท้ายวางหมดวางโลก เหมือ น, นกับวางโลกหมดเลยวางอารมณ์ทุกอารมณ์วางทุกสิ่งทุกอย่างจบจ บ, จ, จบที่จิตจบที่จิตจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจิตไม่ไปหยิบฉวยอะไรมาปรุงมาแต่งสร้างเรื่องสร้างเล่าสร้างปาัญหาสร้างทุกโทษเวนภัยให้แกจิตตัวเองอีกต่อไปพ้นแล้วพ้นแล้วรู้แล้วพ้นแน่นอนพ้นแล้วไม่ทุกข์อีกแล้วไม่เอาอีกแล้วพอแล้วจบแล้วสบายแล้ว เห็นอิสระแล้วพูดอะไรมาก็เข้าใจนิพพานก็ใช่หมดกิเลสก็ใช่หมดตัณหาก็ใช่หมดอวิชาก็ใช่หมดทุกก็ได้ไม่ไปเกิดไม่เวียนว่ายตายเกิดก็ใช่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ใช่ไม่ไปไม่มาก็ใช่ไม่เกิดไม่ดับก็ได้เพราะมันอยู่ในจิตมันเป็นเรื่องของจิตแต่จิตไม่ใช่นิพพานจิตถึงนิพพาน จิตบรรลุถึงนิพพานจิตที่ว่างจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งก็รู้ถึงนิพพานได้จบได้สิ้นได้เพราะ้คนที่อยากออกจากกรรมก็คือต้องปฏิบัติจนถึงพะนิพานอยู่เหนือกรรมกรรมไม่สามารถให้ผลได้กรรมอะไรก็ตามไม่สามารถทำให้ไปเกิดได้อีกไม่ต้องไปใช้กรรมอีกพ้นกรรมแน่นอน นี่ก็มองดูโลกก็เห็นนะโอ้ชาวโลกทั้งหลายยังต้องเรียนายตายเกิดกันอยู่ยังต้องสร้างคำสร้างเรียนกันอยู่ยังต้องปรุงแต่งอะไรต่ออะไรวิ่งตามความนึกความคิดความปรุงความแต่งเนะีแต่เขาสร้างเกมอะไรขึ้นมาหลอกลวงก็วิ่งตามเข้าไปไปเกี่ยวหาอะไรต่ออะไรไร้าสาระก็ต้องไปเพราะหลงถ้าไม่หลงแล้วไม่สนใจไม่มีประโยชน์อะไรพวกนั้นรู้ นอกจากปฏิบัติเพื่อออกจากทุกแล้วอย่างอื่นมันก็แค่ดำเนินชีวิตไปให้ชีวิตมีอยู่รอดได้เท่านั้นไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสอะไรเลยสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือปฏิบัติจิตของเราเพื่อให้จิตของเราออกจากทุกนี้เองนี่หละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องสร้างบรารมีเพื่ออุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกที่มีแต่ความลุ่มหลงไม่รู้ทางออกบอกทางออกให้แล้วคนที่มีบุญมีบา ร, รมีก็จะปฏิบัติตามพระองค์ได้จนวันใดวันหนึ่งอินทรีย์แก่กล้าแล้วต้องพ้นทุกตามพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนอ้าวสุดท้ายแล้ววางทุกอย่างแล้วที่นี่ทําเหมือนกับว่าหมดงานแล้วเราไปทำงาน เราจะเลิกงานแล้วที่นี่จะเลิกงานแล้ววันนี้เลิกงานแล้วเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเข้าที่เข้าทางเครื่องมือตรงไหนควรเก็บตรงไหนเก็บวางเอาไว้จากนั้นก็หันหลังให้ห้องทํางานนี่คือวางทุกอย่างที่มันอยู่ภายในที่มันเกิดขึ้นไม่ไปหยิบฉวยเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไว้ในจิตอีกละ ปล่อยวางตัวเองให้เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายเอาวันนี้พอแค่นี้นะ